อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอนํารายการธรรมรบรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่18กันยายนปีพุทธศักราชสองพค่ะวันนี้เป็นวันแรม6กค่าเดือน10ปีเถะนะคะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะทิ่ฉันจะจะทำหน้าที่ในการที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมะ ทำหน้าที่แทนท่านละค่ะที่จะสนทนาซักถามอรรมะหรือสักกถากับท่านพระอาจารย์พิบูณ์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโทภโสหรือท่านพระคุณสิทธิประภากอนซึ่งท่านก็เป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะค ะ, ะในช่วงนี้ซึ่งเรายังเป็นช่วงเวลาของอาการ เทศกาลหรือ ว, ว่าอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาอยู่ดังนั้นในทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พิบูลนภิบุญโนได้หยิบยกพระคถาต่างๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นํามาสักษาหรือว่าพูดคุยสนทนาเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังกันนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ภิบูลนภิบุนนโนที่จะมาอาสนทนาในรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ มากราบนมำสการ์พระอาจารย์ภบูบุญอภิบุญโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกพร้อมกันนะคะกราบน้ำพสการ์เจ้าค่าพระาาาอาจารย์เจ้าขาอาจารย์พาสาธุเจ้าขาตามที่ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ก่อนที่เราจะเข้ารายการนี้นะเจ้าค่ะก็ทราบ ว, ว่าพระอาจารย์จะได้เมตตาที่จะหยิบยกธรรมะหรือว่าพระค ถ, ถาที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ เกี่ยวกับเรื่องของอสติและก็การอะไรต่างๆนเจ้าคะ<ช>่ะโยมก็ <ไง S 2> ขออนุญาตที่จะหยิบยกขึ้นม า, าเรียนถามพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะโอเคอาตามที่พระกาานี้ก็จะบอกว่าบุคคลควรเป็นผู้มีสติทุกเมื่ อ, อพึงเว้นจากการละกามแล้วพึงข้ามโอคะได้ดุจบุคคลอุดยาเรือดีแล้วพึงข้ามไปฝั่งโน้นหมายถึงวิพานได้ อันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลได้สักษาหรือว่าชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้าได้ได้รับทราบถึงความหมายที่แท้จริงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะขอกราบนิมนต์ค่ะก็คือว่าข่าที่คุณเตนใจพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยพระเจ้าเล่าอธิบายถึงเรื่องของกามนะแล้วก็สรุปมาที่ตรงนี้ที<ช><ช>นี้ก็ต้องท้าวความเหมือนกับที่พระเจ้าอธิบายก่อนว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาสอนพระสงฆ์ใช่ไหม ก็คือการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นการทวนกระแสเขาเรียกว่านคขมักคห้ทวนกระแสของกามอารมณ์ควนกระแสของตัณหา <R> ซึ่งหนึ่งในตัณหานึ่นคือความอยากในกามคืออยาก <R> ในความสุขที่เกิดจากตาหูจมูมกลิ้นกายอย่างเงี้ยนะ<ร>อย่าให้คนนู้นมาชมเราอยากให้คนเราดูสวยๆแล้วเขาก็พูดดีๆกับเรารักเราอย่างเงี้ย<ร>ซึ่งอาศัยคนอนนื่นในการที่จะได้มาซึ่งความสุข แต่ว่า <Okay. S 1> ธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยทวนกระแสนะแทนที่เราจะไปแสวงหาความสุขข้างนอกใช่ไหมไม่เราแสวงหาความสุขข้างในจุกค <Okay. S 1> นะ่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเรียกว่าละกามนะละจากกามเว้นขัดจากกามนะแล้วก็บุญของเราหรือว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยธรรมะที่เรามีเนี่ยเปรียบเสมือนเรือใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็ไอรูรั่วเนี่ยคือกามเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันขึ้นมาทําให้เรือเราอับปลางได้ ในสมัยมิคยคุเตอนใจเคยเห็นคนที่เขาทําดีมาตลอดนะพลาดครั้งเดียวพังเลยก็มีนื้แค่บางทีเป็นข้าราชการระดับสูงอย่างเงี้ยมีเรื่องที่เสียหายทีเดียวโอ้แย่ไปเลยก็มีเนาะที่ทําดีทั้งหมดหายหมดเลยนะเจ้าค่ะใช่ก็มีก็เมือนลักษณะนี้ว่าเรือเนี่ยมีรูรั่วซึ่งรูรั่วนี่เกิดคือเราทําเองจริงๆอะนะคือในในพูดถึงกรณีที่ว่าเราทําจริงๆอะนะว่าทําไม่ดีนะนั่นก็คือผิดศีลบ้างนะพูด ก็เรียกว่ามีวัจีทุจริตกับกายทุจริตอย่างนี้บ้างจุก้าทีนี้จึงต้องอย่างที่เราพูดเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการกับกามคุณเรได้อธิบายถึงความแตกต่างไปละกามคุณเนี่ยมีได้ไม่เป็นไรนะถ้าคุณเป็นคนมีบุญนะมีทรัพย์มากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากจะใช้สิ่งของดีๆมันก็สามารถทําได้แต่ว่าไม่ควรมีกรรมนะกรรมเนี่ยคือความกําหนัด เพลิดเพลินยินดีในสิ่งสิ่งนั้นเจ้าค <Okay. S 1> ่ะเพราะไอ้ความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีเนี่ยมันอยู่ในใจเราค่ะต่อให้อ่าของที่เป็นของคนอื่นอย่างสมมติโทรศัพท์มือถือเอาอย่างง่ายๆนะถ้ารุ่นเดียวกันนะอ่าสีเดียวกันค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ทําสิ่งต่างๆได้เหมือนกันนะปรากฏว่าถ้าของของเพื่อนแตกอย่างเงี้ยตกแตกเนี่ย <Okay. S 2> อุ้ยสมน้าหน้ามัน รหรือไม่กเ็เราไม่รู้สึกอะไระแต่ถ้าของเราตกแตง่งเนี่ยยมันจี๊ดมันมันไม่สบายใจมันเจ็บใจใคะเดือดร้อนทีเดียวอยวใช่เพราะว่าความที่เราเข้าไปยึดถือใช่ไหมทีนี้ว่าไอสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้เสพในเรื่องของกามความที่เข้าไปยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ไอกามเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีโทษมากมีความสุขนิดเดียวอค่ะ โทษมากมีความสุขนิดเดียวเป็นอย่างไรก็คือมันเป็นกลลวงอ่ะคุณเตือนใจเหมือนกับว่าถ้าใครถูกเคยถูกยุงกัดใช่ไหมเพราะว่าพอถูกยุงกัดแล้วมันจะคันพอคันแล้วมันก็จะเกาเกาเนี่ยมันก็จะมีความสบายที่เกิดจากการเกาหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นคือผิวหนังก็จะถลอกจะเปิดออก <Okay. S 1> พอเปิดออกถลอกแล้วเนี่ยน้ําเหลืองก็ไหลออกมา <Okay. S 1> พอน้ําเหลืองแล้วออกมาเนี่ยแมงวันก็มาตอมพอแมงวันมาตอมมันก็เอาเชื้อโรคมาใส่ด้วย พอเราเชื้อโรคมาใส่ด้วยเราก็รู้สึกยิ่งขันมากขึ้นขันมากขึ้นเราก็เกาอีกนะเกาแล้วมันก็ยิ่งแผลเปิดแผลเปิดแล้วก็น้ําเหลืองก็ออกมานะแมงวันก็ยิ่งหมามากเชื้อโรคก็ยิ่งหมามากก็ยิ่งขันมากอลึกตามไปใหญ่เลยทีนี้พอเราเกาเนี่ยมันจะมีความสุขจากที่เกาหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวนั่นเองนะแล้วนี่แหละคือความสุขของกามแต่หารู้ไม่ว่าถ้ายิ่งเกามาก ยิ่งเพื่อหาความสุขจากการก า, มากแมกแผลยิ่งเปิดนะมีข้อเสียมากนียิ่งถ้าเป็นเชื้ออื่นๆเข้าไปนี่อาจจะถึงตายก็มีบางคนตายเพราะว่าแผลนี่ก็มีเกิดอาการอักเสบขึ้นอะไรต่างๆโดยเฉพาะพวกเป็นเบาหวานนะเจ้าคะใช่อันตรายมากเลยเก็จะอันตรายเจ้าค่ะทีนี้ประเด็นคืออะไรถ้าเอาถ้าเราลองดูผิวหนังบริเวณอื่นๆของเราที่ไม่ถูกยุงกัดถ้าเราไม่ถูกยุงกัด น, นะคุณเตือนใจลองไปเกาดูมันจะแสบ ลองถ้าเราลองไปเกาอ่าไปผิวหนังปกติอยู่เราไปเกามันก็แสบสิทําไมมัน ถ, ถึงไม่รู้สึกสบายเหมือนตอนที่ถูกยุงกัดเพราะว่าสารเคมีที่ยุงมันปล่อยออกมาเนี่ยทาให้ความบิดเบือนในการรับรู้สัมผัสของผิวหนังเนี่ยบิดเบือนไปเค่ะเช่นเดียว ก, กันกับจิตของเราเนี่ยถูกหลอกถูกหลอกด้วยอํานาจของตัณหาและอวิชาว่าโอ้ยฉันต้องเสพกาม พอเราไป <Okay. S 1> เสพกามเนี่ยมันก็เหมือนกับบุคคลเกาแผลมันไปเกาไม่ถูกที่ขันอ่า <Okay. S 1> ไม่ได้สังหาสิ่งที่ถูกต้องกลับหาทุกข์ใส่ตัวมากขึ้น <Okay. S 1> อันนี้คือโทษของกรารอันที่หนึ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบให้ใหดูเหมือนถ้าใครเคยเห็นคนเป็นโลกเรือนอะ่ะคนเป็นโลกเรือนที่สมัยก่อนเขาอยู่ตามสะพานลอยเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งอ่าอาจจะอยู่ตามสะพานลอยขอทานบ้างะนะแผลเนี่ย <Okay. S 1> ตัวจะเป็นแผลเวิร์บบาร์เต็มหมด <Okay. S 2> แล้วเขาก็จะมีความสบายในการที่เขาได้เก่าแค่นั้นเอง <Okay. S 2> แต่เขาหารู้ไม่ว่ า, าว่าถ้าเผื่อว่าเขาหายจากความเป็นโรคเรื้อนเขาไม่ต้องเก่าเขาจะสบายมาก <Okay. S 2> นะเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ต้องเสพกามเนี่ยหายจากความอยากที่จะต้องมีในกามเนี่ยเราจะสบายมาก <Okay. S 2> นะอันนี้อันที่หนึ่งครูเชายังเคยเปรียบเทียบากามเนี่ยนะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าของในความฝัน ของในความฝันเนี่ยเหมือนอย่างอะไรสมมติถ้าใครเคยฝันดีดีๆมากๆเลยนะโอ้ฝันได้ฉันได้เคยไปที่นี้ได้อยู่กับคนนี้แล้วก็มีความสุขมากเลยโอ้เป็นสถานที่ที่รื่นรมอมมีความสุขจริงๆแต่พอตื่นขึ้นหายหมดเลยบางคนอยู่สาม์บําบลกับเพื่อนว่าโอ้ตื่นเร็วไปหน่อยวันนี้น่าน่าจะนอน่อยเสียดายฝันแจ้าค่ะเจ้ค่ะมันเหมือนของในความฝันนะกาม คเพราะอะไรเพราะว่าไอสิ nobody, no we ve. We ve ่งท <Morris unc> <Richard> ี really ่เราได้มาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยนะตายนะเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวอืจ้ค่ะคืนหมดเลยนะคืนโลกหมดเลยเงินที่มีอยู่ในธนาคารใช่ไหมกี่พันล้านเหรอลูกเอาไปหมดเลยจ้ะค่เรัฐบาลเอาไปหมดเลยถ้าไม่มีลูกคือเราเอาไปไม่ได้สักบาทเดียวเลยสมมุติสับเปลอเลอร์ก็จะยัดเงินไว้ในปากใช่ไหมอันนั้นสับเปลอเลอยังเอาไปอีกอ่ะจะบางคนจะยัดเงินไว้ในปากศพนะนะสับเปลอเลอร์ยังเอาไปอีก เอาไปไม่ได้เลยคือเหมือนของในความฝันจริงจริ ง, รงนอกจากนี้ผู้ชายเคยเปรียบเทียบไอกรามเนี่ยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกา ย, เ, ยเปรียบด้วยท่อนกระดูกหมายความว่าไงสมมุติว่ามีเขาเรียกว่าเขียงหมูสักเขียงหนึ่งนะที่เขาขายหมูขายหมูสามชั้นหมูอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะแล้วเขาก็กเขียงเนื้อก็ได้ก็คนขายเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้มีดมากแล้วก็แล่เนื้อออกมาต่างต่างเลยจนกระทั่งมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่ง ที่และ<ช><ๆ>ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเนื้อเยื่อเหลือติดอยู่เลยมีแต่<ช>เลือด<ๆ>เปื้อนอยู่นิดเดียวแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งหิวโซมากๆเลยหิวโซมากมากทำไงก็ไปที่ตลาดนะไปหน้าเขียงเนื้อแห่งนี้เจ้าของเขียงเนื้อนี่ก็โยนให้แลนะ้ปรากฏว่าสุนัขนี่ก็รีบคว้ามาเลยกินอย่างเต็มที่เลยถามว่าสุนัขตัวนี้จะไม่สามารถบรรเทาความหิวของตัวเองได้เลยนะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันไม่ได้ติดอะไรเล ย, เลยมีแค่เลือดเปื้อนอยู่นิดเดียว เยื่ออ่อนก็ไม่มีนะไอเขาเรียกว่าอะไรไอตรงขั้วกระดูกอ่อนก็ไม่มีอ่นะเพราะถูกฝาดออกหมดแล้วสุดท้ายก็ได้กินน้ำลายตัวเองเท่า น, นั้นเองนะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการที่สุนัขตัวอื่นเนี่ยจะมาขอยแย่งไปด้วยเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้คือโทษของกามนะคือเราได้มามากๆเนี่ยมันไม่หายหยิวไงเป็นอย่างนี้อ่เหมือนสุนัขได้กระดูกมาสองสามชิ้นสี่ชิ้นสิบชิ้น ก็ยังไม่หายหยิวไงทำไมมันกินน้ําลายตัวเองเ่งจบค่ะนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเปรียบเรื่องไอความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเหมือนกับคนที่ถือคบเพลิงย่าแล้วก็ทวนลมไปจบค่ะคือคบเพลิงญ่าสมมุติเราเอาฟางฟางข้าวอย่างเงี้ยนะมาทํามาปั้นเป็นคบเพลิงแล้วก็จุดไฟเราจะพบว่าไอ้คบเพลิงแบบเนี้ยจะมีควันมากถ้าใครเคยเห็นชาวนาเขาจุดนาเผานาเขาอะนะ <c oughs> ควันจะโคมงเลยเพราะว่ามันเกิดจากฟางนะครบเพลิงญ่าเนี่ยมันจะมีควันมากแล้วก็ไหม่เร็ว <c oughs> แล้วก็แสงสว่างนี่ก็ไม่มากนะแล้วก็ถ้าเขาไม่รีบปล่อยออกเนี่ยไม่รีบทิ้งไปเนี่ยไอ้ไฟนี้มันจะต้องลามมาที่มือที่แขนไหม้ตัวเวอร์บาาไปหมดเลยถูกค <c oughs> ่ะเหมือนกันนี่คือการเสพกามถ้าเรายังเสพอยู่มากเนี่ยก็จะมีผลเหมือนกับคนที่ถือคบเพลิงยาถูกค่ะแล้วก็ยังเปรียบด้วยกับ ของในความฝันใช่ไหมของยืมเข้ามาของยืมเข้ามาเหมือนกันก็มีชาวบ้านคนหนึ่งไปยืมของหมาเศรษฐีมานะเป็นสร้อยแหวนตุ้มหูของทุกอย่างมาแหละยืมมาเสร็จแล้วก็เอาใส่เกวียนมาใส่เกวียนมาแล้วเนี่ยก็เอาวางไว้ข้างหน้าตัวเองบ้างวางไว้ข้างหลังบ้างเอามาใส่ตัวบ้างเนี่ยแล้วก็ผ่านตลาดไปแห่งหนึ่งปรากฏผ่านตลาดไปชาวตลาดนี้เขบอกโอ้โหนี่ดูสิแหมคนรวยนี่เขา มีความเป็นอยู่กันอย่างนี้นี่เองนะเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยนะจกค่ะอ่าก็พอปรากฏว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเห็นว่าอา้าวทาไมนี่ยืมของฉันมามาทำอย่างนี้เขาจะต้องอารีบเอาคืนไปทันทีจกค่ะแล้วเราจะมีความรู้สึกอางนั้นืนี่คือกาอมนะมคือลักษณะของการเวลาที่มันจะหายไปเนี่ยมันก็หายไปแบบปุ๊บปุ๊ปั๊บ ป, บ ป, บปบเหมือนกันคือหายวับไปเลยน ะ, ะใช่ไหมอย่างดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเอาจกค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมสึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวใช่ไหม ทรัพย์มาก ม, มายหมหาศาลอย่างเงี้ยโอ้โโดนน้ำพัดหายไปแวบเดียวแล้วเราเอาคืนมาไม่ได้เ่ยโอ้มันเศร้าใจมากๆเลยแล้วก็ยังเปรียบด้วยกับผลไม้พระชาตาเปรียบเหมือนกับคนที่มีคนคนหนึ่งต้องการผลไม้ปรากฏเข้าป่าไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งโอ้โหผล น, นี่น่ากินดูจากไกลๆน่ากินแล้วก็ลูกทั้งต้นทั้งต้นเนี่ยเต็มไปด้วยผลไม้ไปหมดเลย ลูกดอกวางนันเถอะแล้วก็ไม่มีผลไม้ที่ร่วงอยู่ตามพื้นเลยแล้วเขาก็รู้วิธีการขึ้นต้นไม้ใช่ไหมเขาก็เลยขึ้นต้นไม้ไปขึ้นไปแล้วก็เก็บกินอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็คิดว่าจะห อ, อกลับไปด้วยปรากฏว่ามีบุคคลคนที่สองมาบุรุษในที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ปีนต้นไม้ไม่เป็นนะแต่ว่ามีขวานแล้วก็อยากจะกินผลไม้นี้ด้วยก็จึงเอามีความคิดว่าจะเอาขวานเนี่ยจามที่โคน นะคือโคนต้นไม้ล่ะตกลงมาอันไหนเราก็จะกินมันแล้วก็ห อ, อกลับบ้านด้วยแล้วนะเหมือนกันถ้าผู้ชายคนที่สองเนี่ยเขาโคนต้นไม้แล้วผู้ชายคนแรกที่อยู่บนต้นเนี่ยไม่รีบลงมาเนี่ยพอต้นไม้ล้มลงมาเนี่ยเขาก็จะต้องมือหักแขนหักบ้างหรือว่าตายบ้างอย่างเงี้ยนะอั <Okay. S 2> นะนี้คือลักษณะของกาล์มนะคือถ้าเราทําเนี่ยก็จะมีคนมาแย่งเรานะมีคนมาคอยขวายคว้าหาโอกาสนะนี่คือลักษณะของกาล์มที่ถ้า ใครเสพมากๆแล้วมีความใคร่ในกามอยู่เนี่ยจะไม่เกิดคือเรียกเหมือนถูกลูกศรแทงนะีจะเดือดร้อนจะเจ็บปวดจะหิวจะไม่อิ่มจะกระหายอยู่ตลอดจอค่ะนี่คือลักษณะของการที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ว่าเพรา ะ, ะนั้นเราจะแก้ยังไงเนะีเราจะต้องไปมีสติอยู่ตลอดเวลานะมีสติอยู่ตลอดเวลานะห่างไกลจากกามแล้วก็ผู้ที่มีสติเนี่ย พร ะ, ะพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าสติเนี่ยจะเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตตินะฉะนั้นถ้าเราจะข้ามฝั่งไปนิพพานได้เนี่ยคุณต้องมีสติซึ่งพระพุทธเจ้าก็พูดถึงฝั่งนู้นเนี่ยนะก็คือนิพพานเพราะนั้นไอ้เนื้อที่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นทะเลอาจจะเป็นแม่น้ําอย่างเงี้ยที่กว้างใหญ่เหมือนก็คือสังสารวัตรคือโอคะนี่เอง โ, นะโอคะในที่นี้ก็คือว่ากระแสน้ําห่วงน้ำํำนะที่คอยขวางเราอยู่ หรือว่าก็คือวัตสงสารที่เราเวียนไหวต่ายเกิดนี่นะเจ้าค่ะใช่ใช่แล้ว<จ>ถ้าเรือของเราเนี่ยนะไม่ดีเนี่ยมันก็พาเราไปถึงฝั่งไม่ได้อะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นบุญคื อ, เ, อ, อเรือที่เรามีใช่ไหมถ้าบุญของเราเนี่ยดีอยู่เต็มอยู่มันก็ดีไปได้แต่ว่าบุญของเราเนี่ยมันจะมีกับดักคือมีรูรั่วอยู่รูรั่วตรงนี้ก็คือกามนี่เองเจ้าค่ะ อ, อ่มันก็จะทํานําความทุกข์มาใ้เราเจ้าค่ะ ต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้การเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในจิตนะคือความเพลิดเพลินรุ่มหลงมัวเมานะในสิ่งภายนอกเจ้าค่ะหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรานะเจ้าค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไม่สามารถมีของดีๆของแพงๆหรือว่าของที่จําเป็นได้มีได้แต่อย่าไปกําหนัดยึดถือมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเจ้าค่ ะ, ะมีครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับ คนที่คลายความยึดถือนะพระเจ้ายกตัวอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าแสดงธรรมใช่ไหมคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะสามารถเล็งเห็นได้ว่าโ อ, อ้การที่มีชีวิตอยู่นี้ลำบากแฮเรารีบมาหาวิธีแก้ความแก่ความตายกันดีกว่าก็เลยละทรัพย์สมบัติของตัวเองน้อยใหญ่อาจจะละถ้าเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ละความทรัพย์ ส, สมบัติที่ตัวเองมีได้ นะละเขาเรียกว่าเลือกสวนไร่นาเงินกี่หมืน่นกี่แสนละได้หมดกี่ล้านละได้หมดแล้วก็มาออกบวชใช่ไหมมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะหนีจากาวตาสงสารนี่คือเขาละได้เพราะว่าไม่มีความยึดถือนะความยึดถือบาบางแต่ถ้ามีอีกคนหนึ่งเป็นคนจนนะยุ้งฉางรีก็มีอยู่ครึ่งเดียวมีหนูเต็มไปหมดแล้วก็ที่นาเนี่ยก็มีแต่เป็นที่นาที่ไม่อุดมสมบูรณ์ นะบ้านนี้ก็ปาทะป่าทางไว้ด้วยไม้ไผ่นะเสื้อผ้า น, นี่ก็มารมมาร อ, ร อ, รอป่าแล้วป่าอีกแต่ถ้าเขาไม่สามารถคลายความยึดถือในสิ่งนั้นได้นะที่นาของฉันบ้านของฉันแม่ยุ่งช้างของฉันสภาพของฉันเป็นอย่างนี้ยึดถืออยู่นะเขาไม่สามารถละสิ่งเหล่านั้นนะแล้วมาออกบทได้นะละไม่ได้เจเพราะความที่มันมีความยึดถือเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตันหาความยึดถือเนี่ย มันผูกแน่นยิ่งกว่าอะไรต่ออีกอะผูกแน่นยิ่งกว่าโซ่ตรวนหรือว่าถ้าใครเอาเหล็กมาตีทําเป็นโซ่นะเอาเชือกป่านอย่างดีมาขึงเป็นเชือกก็ยังผูกแน่นไม่เท่ากับเจ้าตัวตันหานี้อืเจ้าคะแล้วมันก็ติดไปได้กับทุกอย่างเหนียวมากท่ทนนี้โยมอยากขออนุ ญ, ญาตที่จะกราบออนอนมัรสการเรียนถามราพระอาจารย์พิบูลอภิปุนโนเพิ่มเติมนะเจ้าคะว่าสําหรับเรื่องของการที่ ว่าเราจะต้องละพวกความ อ, อยากทั้งหลายเนี่ยเจ้าค่ะในการที่จะกำหนัดแล้วก็เพลิดเพลินพอใจไปกับสิ่งที่เรียกว่ากามในความหมายที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะเจ้าค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือความกำหนัดหรือว่าเพลิดเพินพอใจไปกับสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเจ้าค่ะจำเป็นเสมอไปไหมเจ้าค่ะที่ว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปสละเพศ คารวานี่ยเจ้าค่ะไปเป็นบรรพชิตคือบวชไปถึงจะไปถึงนิพพานได้แล้วสําหรับคนโดยทั่วไปที่มีชีวิตอยู่จําเป็นจะต้องหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อเกิดในประเด็นนี้นี่สามารถที่จะไปถึงนิพพานได้ไหมเจ้าคะถ้าเขามีสติแล้วก็ทําตัวตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้โดยที่ไม่ต้องออกบวชเนี่ยเจ้าค่ะพอมีใจมีหนทางไหมเจ้าค่ะอันนี้ก็คือ ประเด็นนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือว่าก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องทางจิตเราะฉะนั้นสภาพภายนอกเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ว่าคุณจะเป็นบรรปะชิตเป็นครื่อหัดหรือว่าเป็นใครเนี่ยถ้าจิตคุณปล่อยวางได้หมดก็เป็นพระอรันได้หลุดพ้นได้ทีนี้ไอ้กามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นกามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องละเพราะไม่ว่าจะเป็นครื่อหัดเป็นบรนปะชิตก็ ก็คุณจะต้องละได้เอาอย่างคาราหัดที่มีทรัพย์สินสมบัติอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นนะคุณก็ปล่อยวางได้คุณก็เรีชื่อว่าไม่เสพกามอย่างอาตมาอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเป็นคารวาสใช่ไหมเรามีเสื้อผ้าดีๆมีกางเกงดีๆมีรองเท้าสวยๆเนี่ยเราก็ยึดถือในสิ่งนั้นใช่ไหมพอเราบอกว่าเออเราบวชละอะพวกนี้ไม่เอาไม่เอาละบริจาคบริจาคไปแล้วเราคิดว่าเราก็ละได้แล้วนะแต่ปรากฏว่า พอเราบริจาคไปแล้วเราทํำยังไงเราก็มีจีวอของเราใช่ไหม <Okay. S 1> มีจีวอลของเราเราก็มันต้องจีวอพระนี่มันย้อมยากนะคุณเตนใจคือ <Okay. S 1> มันต้องเอาอเปลือกมังคุดมาย้อมบ้างหรือว่าเอาใบมังคุดมาตำหรือเอาแกนขนุนมาตำตำเสร็จแล้วก็ต้มเป็นหลายวันหลายวันเอาน้ําย้อมออกมาย้อมเสร็จแล้วต้องผึ่งมาย้อมสามรอบสี่รอบกว่าจะเป็นผ้าออกมาเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ทํากันง่ายๆ <Okay. S 1> ก็เรียกว่าผ้าย้อมน้ําฝาดเหมือนกันเถอะค่ะ okay. พอย่อมหน้าฝามาดูกรรมวิธีอย่างนี้เนี่ยเราพบว่าอา้าวทาไมเรามีความยึดถือในในผ้าของเราอ่ะผ้านี้ของเราเหรอไหมายคือยังมีความกําหนัดพัวพันมัวเมาลุ่มหลงในผ้าของเราได้ออืมค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอพระสงฆ์หรือว่าเป็นใครก็ยังจะมีกามได้อยู่แต่ว่าเป็นมีปริมาณที่น้อยมากนะคือไม่ว่าจะเลิศรู้ขนาดไห น, นก็เป็นได้แค่ผ้าจีวรอ่ะ มันจะไม่ได้เป็นเหมือนกับของคารวาที่โหมีเพชรนินจินดามีรองเท้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อย่างเงี้ยนะจกค่ะหรือว่าเป็นลักษณะก็จะไม่เลิศรู้ขนาดนั้นแต่มันก็จะมีเบาบางบ้างอยู่แต่ก็จะมีบ้างเพราะฉะนั้นจึงต้องพระพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้ว่าคารวาเนี่ยเป็นทางแหม่งทุลีเป็นทางแหม่งทุลีเนี่ยหมายความว่าเป็นทางที่จะมาทําให้เกิดมีปัญหาขึ้นได้ซึ่งบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่าง เป็นโอกาสเปิดที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติให้ดีได้กว่าแต่ว่าไม่ใช่คารวะไม่มีทางมีทางอยู่นะแต่ว่าทางส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทางแมงทุลีก็มีเอาอย่างง่า ย, ายๆคุณเตือนใจตั้งแต่มาบวชมานะไม่มีใครมาชวนอาตมาไปรับประทานเข้าเยน็นเข้าใจแลว้ว่าท่านฉันไม่ได้นะจ๊ ะ, ะเพราะเรามีศีลแล้วก็ไม่มีใครมาชวนเราไปกินเหล้าหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนคะนะซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสบ้างของเรา เอา <Okay. S 1> แค่ขารวาสเนี่ยคุณอยู่บ้านใช่ไหม <_ d ata> เดี๋ยวเพื่อนมันโทรมาละไปกินข้าว <_ d ata> เย็นไปเที่ยวกันซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรบางทีไปพูดเล่นไร้สาระไม่ได้เรื่องมากกว่าอีกเนี่ย <_ d ata> จึงเป็นทางมาอย่างจุลีตรงนี้ <_ d ata> แต่แต <_ d ata> ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ใ น, นที่เราจะปิดกั้นทำได้ <_ d ata> ใช่ไหแล้วก็ไม่ใช่ว่าถึงคุณจะต้องแบบอ๋อกลนผมออกบวชละหมดมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ที่เรากำลังพูดตรงนี้คือ ตอนไหนมันโอกาสมากกว่าน้อยกว่าก็ชี้แจงให้เห็นอย่างนี้นะะแต่ถ้าเป็นความบรรลุถึงมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของจิตค่ะในสมัยพุทธกาลก็มีนะคาบวะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยอืมเจ้าค่ะก็มีตรงที่มีหลายคนอยู่ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังจากตอนไม่ก่อนไม่หลังในระหว่างการตายอคือบรรลุก่อนที่จะตายสักหน่อยหนึ่งก็มีอยู่หลายคนอยู่เจ้าค่ะออก็คือการที่เรา ปล่อยวางทุกอย่างได้อย่างจริงๆคือจิตว่างจริงๆนั้นก็เหมือนกับเราสําเร็จเป็นพระอารหันต์ได้นะเจ้าค่ะใช่คือปล่อยวางซึ่งปัญหาคลายความยึดถือได้หมดเลยเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะตอนนี้โยมกลับขออภัยนะเจ้าค่ะที่จะต้องเรียนถามแทนทุกฟังอีกสักคําถามหนึ่งเจ้าคะ่ะในกรณีที่ อ, อย่างสมมุติว่าพระอ่านะเจ้าคะอย่างที่โยมไปเห็นที่วัดป่าดอนหายโศกที่พระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อดออรสะอาด จำบรนสาอยู่นั้นเนี่ยยมก็จะเห็นว่าไม่ได้มีทีวีมีอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือว่าทําให้เรามองเห็นโลกภายนอกอ่ะเจ้าค่ะที่จะไปรบกวนทําให้เกิดความควยเขว่ไปนะเจ้าคะแต่ว่าก็มีวัดอีกเป็นจํานวนมากค่ะเจ้าค่ะที่ยมเห็นว่ามีทีวีมีน่นมีนี่คือเครื่องอำนวยความสะดวกคล้ายๆกับคารว่าเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นเป็นยังไงเจ้าคะไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่องค์พระศาสดาสมบูรณเจ้า ได้ทรงตรัสไว้หรือเปล่าเจา้าค่ะท่านั้งที่ท่านยังเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพระสงฆ์อยู่จเจ้าค่ะข อ, อไปที่ที่กราบถามนะเจา้าค่ะก็เป็นคำถามที่ดีนะตะมาว่าเพราะว่าอย่างประเด็นเรื่องของโทร ท, รทรัศน์อย่างเนี้ยก็อยู่ที่ว่าเอามาดูอะไรเจา้าค่ะคือการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าดูก็ผิดศีลแต่ถ้าดูอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ การละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุโสธรรมก็อาจจะทําได้ดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยนะนี่อาตมาก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าที่ท่านทำเนี่ยถูกหรือผิดก็ไม่ดูท่านดูอะไรแต่ถ้าท่านดูสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างสมมุติรายการธรรมะก็มีเยอะแยะเนาะอย่างวิทิวที่เราพูดอยู่เนี้ยก็มีราการวิทยุธรรมะก็มีในการวิทยุที่เป็นเปิดเพลงก็มีใช่ไหมเราก็เพลงเราก็ฟังไม่ได้อะมันก็จะเป็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าเป็นค่าศึกต่อกุโสธรรม เป็นไปเพราะความเพลิดเพลินแล้วก็ฟังข่าวฟังรายการธรรมะอย่างนี้เป็นลักษณะนี้ก็ก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าสื่อที่ท่านรับฟังอย่างนี้ยเป็นอะไรเจ้าค่ ะ, ะเพียงแต่ว่าเป็นนโยบายของวัดป่าอ น, นัยโศกท่ะที่ว่าไม่ได้มีทีวีไม่มีสิ่งที่จะสร้างความกไกวเกรนะเจ้าค่ะคือเรื่องของจริงจอ่อเรื่องของพรรษาเนี่ยจึงต้องระวังมากเจ้าค่ ะ, ะเพราะว่าถ้าเราไม่สมรวมอินทรีย์เนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ระมัดระวังใช่มไหมไอช่องทางตรงนี้แหละมันจะได้ช่องเนี่ยมันไม่เอาช่องทางตามมันก็เอาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจมันจะเอาจิตเราให้คว่ําให้มีอกุศลให้พูดไม่ดีให้คิดไม่ดีให้ทําไม่ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, <ง>คะพอมันได้ช่องเราก็เสร็จมันแหละเจ้าค่ะก็จะตกเป็นเหยื่อของมานะเจ้าค่ะทำในสิ่งที่ไม่ดีเจ้าค่ะอันนี้พระเช้าเคยเปรียบเทียบกับเต่าน้อยตัวหนึ่ง เต่าอีกแล้วนะเจ่ะ ต, ตอนนี้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าค่ะตามไม่บอดนะเจ้าค่ะคราวนี้ตาตาดีเห็นเจ้า <c oughs> เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาแต่ไกลเจค่ะเต่าน้อยก็เลยรีบหดอวัยวะทั้งอย่างทุกอย่างเข้ามาในกระดองแล้วจิ้งจอกก็เห็นเต่ามาแต่ไกลก็ลวิ่งรี่เข้ามาเลยว่าเอาคอยช่องอยู่เต่าถ้าเจ้าโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกมานะจะดึงออกมากินให้หมดเจ้าค่ะนะก็ถ้าตราบใดที่เต่าน้อยตัวนี้หดอวัยวะทั้งหลายอยู่นะก็จะสบายเดี๋ยว ไอสุนัขจิงจอมันไม่ได้ชอ่องมันก็หลีไปเอง อ, อันนี้พุทเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องสมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่งั้นเนี่ยมานมันจะได้ชอ่องถ้า ม, ามันไม่ได้ชอ่องมันก็หลีไปเองอ่าเพราะเราก็ต้องปิดกัน้นอินทรีย์ปิดกั้นตาหูจมูกลิ้นของเราให้ดีใช่ไหมเราก็ไม่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มั่วซั่วในขณะเดียวกันว่าเราก็ไม่ได้มีเสืออะไรที่จะเปิดให้ใครเข้ามาอะไรได้ง่ายๆเกินไปอย่างนี้นะ เจ้าค่ะหกโมงประตูวัดก็ปิดห ก, หกโมงเย็นหมงเช้าถึงก็เปิดเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลางคืนนี้ไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นทางที่ช่วยอีกทางหนึ่งนะเจ้าคะเรียกว่าอาจจะเป็นวิธีหรือว่ายุทธวิธีในการที่จะช่วยให้บรรดาญาติโยมหรือว่าแม้แต่พระสงฆง์อมกเจ้าในวัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี้ยมีวิธีหลีกออกที่ดีนะเจ้าคะจากกรรมทั้งหลายคือแบบสิ่งที่มายุยยวนทําให้เพลิดเพลิน ทางหูจมูกเล้นกลใจใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ทีนี้ก็จะมีคนถามอย่างนี้คุณเตือนใจบอกอ้าวแล้วไม่เสพกามแล้วมันชีวิตมันก็จืดเชื่อจะสิเจ้าค่ะมันไม่มีสีสันเลยนะหวังกันเจ้าค่ะเมื่อเมื่อวันก่อนมีคนสิงคโปร์เขามาถามมาตมาเจ้าค่ะซึ่งก็ได้บันทึกเทปเรื่องนี้เหมือนกันตอนรายการภาพภาษาอังกฤษออของอวิทประเทศไทยนะเจ้าค่ะซึ่งจะออากาศวันนี้แหละวันที่สิบหนี่แหละอ้าเจ้ค่ะตอนแปดโมงเช้าของวิทยุประเทศไทยรีโอไทยแลนด์เหมือนกันเขาพูดถึงเรื่องเนี้ย ชีวิตมีมีสีสันจะทำยังไงนก็ตอบ ง, ง่ายๆเลยเราก็หาความสุขสิไม่ใช่เรา<ช>ไม่มีความสุขเรามีความสุขที่เกิดจากในภายในว่า ง, งั้นเ้าค่ะความสุขเกิดจากมสมาธิไม่ใช่เกิดจากข้างนอกอย่างนี้เจ้าค่ะก็คือความสุขนั้นเกิดขึ้นจากความสงบความมีสติภาย ใ, ในจิตใจของเราเองนะเจ้าคะใช่ใช่ที่ปล่อยวางอะไรได้ต่างๆเรียกว่าถือสันโดดด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่เพราะงั้นวันนี้คนที่ก็จะสรุปไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเราเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ย เราจะปิดกั้นอุดรูรัร่วของเรือเราได้แล้วก็ให้มีความสุขอยู่ในภายในเราก็จะเป็นชีวิตที่มีเต็มสมบูรณ์ได้แล้วก็สามารถข้ามวัฏัรสงสารไปถึงที่ฝั่งนิพพานได้อย่างสบายใจเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเราทำได้อย่างนี้นี่ก็ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องโกนหัวออกบวชหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นฆราวาสก็ทำได้เช่นเดียวกันเป็นฆรวก็ทาได้ก็ค่อยๆทาไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนั้นก็เป็นแนวคิดดีๆที่ท่านพระอาจายรย์ไพบูลอภิปุนโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิดตัวโสหรือท่านพระครูสิทธิ ป, ประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกตำบลดอนหโศกอําเภอหนองหันจงังหวัดอุดรธานีฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้นําไปเป็นข้อคิดสําหรับในเช้ า, ชาวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถึงเวลาเราจะต้องจากกันแล้วละคะ่ะจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งก็จะมี ธรรมะหรือว่ามีคาถาดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับในเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ภับุญอุพิปุนโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการลาและกราบขอบพคุณเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าข า, าสาธุเจ้าขา